จเจริญพรทุกทุกท่านมาเทศที่นี่ครั้งที่สามที่จริงเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะมันเกินจริงไปมันเกินความจริงไปดูยุ่งยากนะที่จริงไม่ได้ยากอะไรหรอกเรื่องของธรรมะนะของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องที่ประณีต ลึกซึ้งนะแต่ว่าไม่เกินความสามารถที่คนธรรมดาธรรมดาจะเรียนได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นมาสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสำหรับคนธรรมดานี่แหละไม่ต้องอาชริยะหรือว่าต้องเป็นเทวดาถึงจะเรียนรู้เรื่องสมัยพุทธ ก, กาลคนก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเราก็พอๆกันนี่ทำไมเขภ า, าวนาได้ผลดีเราภาวนาไม่ค่อยได้ ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆนะมันก็ภาวนาไม่ยากหรอกแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะอย่างช่วงที่หลวงพ่อสอนโยมแรกๆนะมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะมาพูดให้ฟังนะว่าประโมทสอนยากไปคารวาสนะสอนให้ทําทานให้รักษาศีลก็พอแล้วละหรือพานั่งสมาธิไปนะชาตินี้ได้แค่นี้ก็บุญนักหนาแนละ้ว ส่วนเรื่องการเจริญปัญญาเนะี่ยคารวะทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อฟังก็ไม่ได้เถียงนะแต่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อว่าเราเป็นคารวะามาก่อนเราภาวนามาตั้งแต่สมัยยังเป็นคารวะทำได้ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้การภาวนาไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับเราเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะขั้นปฏิบัติในขั้นของการเจริญปัญญาจริงๆ หลวงพ่อเผยหาครูบาอาจารย์เมื่อสัก30กว่าปีก่อนเข้าไปที่ไหนท่านก็สอนไม่เห็นมีองค์ไหนว่าจะไม่สอนเสวงนะไม่ใค่พูดแค่ว่าให้ทําทานถือศีลให้นั่งสมาธิหรอกท่าพูดถึงขั้นเจริญปัญญาเลยเพียงแต่ว่าการสอนให้เจริญปัญญาเนี่ยในสมัยก่อนนะมันอยู่ในวงแคบท่านไม่ได้สอนวงกว้างให้คนส่วนใหญ่กว้างๆเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆหรอก ได้ยินแต่เรื่องทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิให้สงบนะความจริงคารวาะก็ฟังได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถินทิกะเคได้ยินชื่อไหมอน า, นาถินทิกะเศรษฐีกรวยแค่ไหนก็ไม่รู้แหลนะแต่ว่ารวยมากก็รักกันสมัยน้อนอนาถินทิกะเนี่ยป่วยหนักให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาพระสารีบุตรก็มาเทศให้ฟังนะเรื่องรูปนามแยกธาตุแยกขันเนี่ยแยกรูปแยกนามนี่แหละ นาทบิธทิกาได้ยินนัร้องไห้เลยบอกว่าทําไมพระคุณเจ้าเพิ่งจะมาสอนผมน่าจะสอนสัก่อนนี้ที่ผมยังแข็งแรงอยู่นะถ้าผมได้ยินธรรมะอย่างนี้เอาไปปฏิบัติเนี่ยผมคงได้ดีกว่านี้อีกนะงั้นต่อไปนี้นิมนต์พระคุณเจ้าเนี่ยช่วยสอนธรรมะภาคปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ให้กับฆราวาสบ้างเถอะฆราวาสที่ฉเฉลียวฉลาดนะมีกิเลสเบาบางอะไรดิก็ยังมีอยู่ เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ฟังเนี่ยเขาเสียโอกาสนะหลวงพ่อก็ออกธรรมะในขั้นปฏิบัติจริงๆนะมาให้พวกเราฟังนะสอนมา1ิบกว่าปีได้ผลดนะีเดี๋ยวนี้การปฏิบัติเนี่ยคนเข้าใจหลักของการปฏิบัติมากกว่าเรื่องนั่งสมาธิให้สงบนะคนที่สามารถปฏิบัติจนกระทั่งสามารถแยกได้นะว่ากายกับใจเ้าคนละอันกันนะ ร่างกายกับจิตทก็คนละอานกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอานกันกิเลสหรือกุศลกับจิตก็คนละอานกันแถมเห็นจิตเกิดดับด้วยด้วยนะเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคนที่ภาวนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดละเต็มบ้านเต็มเมืองนะหรืออย่างต่ําๆนะที่มีจํานวนมากเลยก็คือสามารถตื่นขึ้นมาได้อย่างแท้จริงคนในโลกนี้ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะนะจะตื่นแต่ร่างกาย แต่จิตไม่ตื่นนะจิตจะหลับจะฝันอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวนะแต่ว่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจไม่รู้สึกอยู่ที่กายไม่รู้สึกอยู่ที่ใจมีแต่ความลืมเนื้อลืมตัวตลอดเลยเนคนในโลกเป็นแบบนี้คนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นก็สามารถตื่นขึ้นมาตื่นทั้งร่างกายตื่นทั้งจิตใจจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นะเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไป สุดท้ายปัญญามันก็เกิดเห็นความจริงของกายของใจได้คําว่าปัญญาปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเราต้องการภาวนานะปฏิบัติธรรมะในศาสนาพุทธเนะี่ยไม่ใช่แค่ทําทานตือศีล น, นั่งสมาธิสงบสง บ, สงบแต่ต้องมาถึงขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อให้อะไรเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเหล่านี้ ถ้าเห็นความจริงแล้วจะเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าท่านสอนชัดๆเลยนะบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือนะเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะความเกิดไม่มีอีกแล้วนะงานที่ต้องทําเพื่อความหลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่เหมือนงานทางโลก อย่างเราวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็ต้องกวาดบ้านอีกมาลื่นต้องกวาดบ้านอีกงานทางโลกไม่มีวันจบอะวันนี้หาข้าวมากินนะพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกไม่มีวันจบหรอกไม่เหมือนงานในทางการปฏิบัตินะถ้าจิตใจเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้จิตจะหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะหลุดออกจากความยึดถือนะกายกับใจนี่แยกออกไปหยุดต่างหากเลยนะจิตใจนี่กลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมา ถ้ารู้ที่บริสุทธิ์นี่มันทรงพระนิพพานอยูนะ่สัมผัสพระนิพพานมันมีความสุขมีความสุขมีความสงบทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษาจิตใจไม่เหมือนทําสมาธิสมาธิต้องรักษาวันนี้ภาวนานะไม่รักษาไว้เดี๋ยวก็เสื่อมต้องมาทําใหม่าการเจริญปัญญาแล้วจนกระทั่ง ถึงวิมุตต์น่จิตหลุดออกไปจิตวางความยึดถือในรูปในนามวางแล้วก็วางเลยไม่ต้องมาวางซ้ำแล้วซ้ำอีกวางแล้วหยิบหยิบแล้ววางอะไรเงี้ยนะงานอย่างนั้นมันไม่จบงานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเนี่ยมันทำแล้วมันมีที่จบได้นะนี่ทำยังไงเราจะเกิดปัญญานะงานใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนนะลำพังการทาทานการถือศีลการนั่งสมาธิให้สงบเนี่ย ไม่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าท่านก็เคยประพฤติปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะสมาธิก็ทำํำจนกระทั่งถึงชา้นที่8แล้วท่านก็สรุปว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์นะท่านก็เลยต้องมาหาทางด้วยตัวของท่านเองที่แรกก็ไปทรมานร่างกายทรมานเท่าไหร่เท่าไหรนะมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์จริงจนกระทั่งท่านค้นพบวิธีที่จเจริญปัญญาขึ้นมาฝึกจิตขึ้นมานะฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อน เอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงแลจิตก็หมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจเป็นอิสระอย่างแท้จริงต่อไปพอร่างกายมันแก่นะก็กายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายไม่ใช่เราตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็แค่อารมณ์แค่ความรู้สึกเท่านั้นเอง ก็เห็นนะความรู้สึกตัวอย่างก็ของชั่วคราวใจไม่กระทบกระเทือนนะไม่หวั่นไหวหรอกจะสมหวังผิดหวังอะไรใจมันไม่หวั่นไหวเพราะปัญญามันเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วนีการที่เราจะเจริญปัญญาได้เนเบื้องต้นเลยต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่มีศีลนะใจจะสงบง่าย อย่างคนที่มีศีลนะไม่ได้ทำร้ายคนอื่นไม่ได้คิดร้ายคนอื่นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะมันสบายใจคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นนะไม่มีความสุขไม่มีความสบายนะยิ่งถ้าเราพัฒนาใจเราสูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่าไม่อยากทำร้ายนะใจมันมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมันยิ่งอิ่มเอิบมันยิ่งเบิกบานมีความสุขมากใจสงบหรืออย่างเราคนที่คิดไปขโมยเขานะรักเขา้าขโมยเขาอะไรเนี่ยใจฟุ้งซ่าน คนที่ไม่ได้คิดจะเอาของใครนะหากินเนี่ยซื่อสัตว์สุจริตนะสบายใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเขาจะมายึดทรัพย์ไหมเขจะมาจับเข้าคุกไหมอะไรเงี้ยนั้นเรามีศีลนะใจมันสบายเราซื่อสัตว์ในคู่ครองของเราใจก็ไม่หวือหวานอกใจสามีนอกใจพัญญาใจฟุ้งส่านสงบยาก คนปลิ้นปล้อนตลบตะแรงใจฟุ้งซ่านคนพูดจริงใจสงบกว่าคนกินเหล้าเมายาใจฟุ้งซ่านคนไม่กินเหล้าเมายาสงบง่ายกว่าถ้าเราตือศีลไว้เนี่ยเราจะได้ความสงบที่ง่ายนะจะเกิดสมาธิได้ง่ายงั้นศีลเนี่ยทำให้เรามีสมาธิสมาธิเป็นฐานให้เราไปเจริญปัญญาปัญญาเป็นฐานทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง กนะ็เป็นขั้นเป็นตอนไปเวลาเราดูรูปพระพุทธรูปนะฐานพระพุทธรูปพมักจะทำฐาน3ามชั้นเห็นเหตุไหมอย่างพระสมเด็จพระอะไรนะมีฐาน3ามชั้นชั้นล่างคือศีล น, นั่นเองชั้นที่2เป็นเรื่องของสมาธิชั้นที่3เป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็มีรูปพระนั่งสมาธิอยู่ข้างบนเป็นความรู้แจ้งนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะ งั้นศีลเป็นฐานที่สำคัญนะคนถ้าไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่าน้าใจฟุ้งซ่านภาวนายากเพราะวิธีที่เราจะรักษาศีลนะไม่ต้องไปขอใครตั้งใจกับตัวเองตั้งสัจจะกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำผิดศีลห้าเอาศีลห้าก็พอแล้วไม่ต้องถึงศีล8ศีลสิศีลเท่าไหร่เท่าไหร่หรอกนะเอาศีล5้าก็พอเป็นครวาท์เนี่ยศีลห้าก็บรรลุมรรคผลได้ โซดาสกทาคาอะไรเนี่ยไปได้สบายๆเลยด้วยศินห้าถ้าจะถึงขั้นอนาคานะควรจะถือศิน8ปดจไปง่ายกว่าเพราะสินห้ายังยุ่งอยู่ในกรรมศีล8ออกจากกรรมก็จะเห็นทุกเห็นโทษของกรรมง่ายเป็นพระอนาคาง่ายแต่ถ้าจะเป็นขั้นต้นๆ น, นะอย่างพวกเราเรียนธรรมะขั้นต้นๆเอาศีลห้าให้ได้ก็แล้วกัน ตั้งใจไว้นะตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศี่5้าก่อนกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจเรารักษาศี่ห้าตอนเย็นก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกเรารักษาศี่5้าคอยเตือนตัวเองเป็นระยะระยะก่อนนอนก็ตั้งใจไว้อีกนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่บางคนอยู่ดีๆอยู่ในบ้านนะรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในบ้านทับเราตายเอาเฉยๆก็ได้น หรืออะไรหล่นใส่ต้นไม้ทับแผ่นดินไหวอะไรนี่มันพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลห้าถ้าตายไปด้วยความมีศีลห้านะใจมันอิมวิมใจนะไม่เสียทีหรอกที่เกิดมาไม่ต้องไปขอนะไม่จําเป็นต้องไปขอกับพระตั้งใจของเราเองรู้จกักศีลห้าไหมถ้าไม่รู้จักก็ไปศึกษาเอาช่วยตัวเองบ้าง ตั้งใจที่แรกก็ต้องตั้งใจนะต่อไปค่อยๆพัฒนาตัวเองเขึ้นมาค่อยๆสังเกตใจของเรานะเวลาเราทําผิดศีลเนี่ยมันเกิดจากกิเลสนะเราอย่างความโกรธมันเกิดเนี่ยเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปแกล้งรักทับย์เขาไปแกล้งเป็นชู้กับลูกเขาอะไรเนี่ยหลอกลวงลูกเขาอะไรอย่างหรือไปด่าเขาอะไรเนี่ยทำด้วยความโกรธหรือใจเศร้าหมองใจมีความโกรธนะักลุ่มใจไปกินเหล้า ศีลนะพื้นฐานมันก็มาจากกิเลสโกรธขึ้นมานะก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อโลอบขึ้นมาก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อนะอย่างโลบขึ้นมานะอยากได้สมบัติเขาไปทำร้ายเขาก็ได้ไปรักเขาไปชิงเขานะเป็นชั่วขเขาไปกลิ้นปล่อนหลอกลวงเขาอะไรเนี่ยหรือสนุกสนานเฮฮานะจิตมีราคะสนุกสนานเฮฮาต้องเลี้ยงฉลองต้องกินเหล้านะคนไทยเรานะเศร้าใจก็กินเหล้านะดีใจก็กินเหล้าอีก มีเล่าเป็นสณะนณนพระพุดธพระธรรมประสงค์เอาไว้ขอตอนมีพิธีการ ส, สุดท้ายก็นั่งกินเล่ากันทั่วไปเ น, นี่เราตั้งใจเราสังเกตที่ใจเราถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจนะกความโลภเกิดเรารู้ทั น, นความโลภมันจะครอบใจเราไม่ได้ถ้าความโลภครอบใจไม่ได้เราจะไม่ทำผิดสินหา้าเพราะความโลภความโกรธเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเราก็จะไม่ทำผิด สีห่หเพราะความโกรธนะเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไป เ, ade, เรื่อยๆนะถ้อไปการรักษาสีจะง่ายคนส่วนใหญ่รักษาสีได้ยากนะเพราะว่าหมวัวแต่ระวังที่มือที่เท้าที่ปากนะรักษาสีที่มือที่เท้าที่ปากไม่ได้รักษาที่ใจก็เลยยากถ้าเรามีสติคุ้มครองใจของเราเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกนะิดรู้ทันการรักษาศีจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะ สีนัตนามัตมันเกิดเองไม่ต้องตั้งใจรักษามันมาเองเพราะกิเลสครอบงาใจไม่ได้สีมันก็มาเองงั้นเบื้องต้นตอนที่สติเรายัางไม่ไวรู้ไม่ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็ตั้งใจรักษาศีห้าไว้ก่อนต่อไปไม่ต้องรักตั้งใจมันรักษาของมันเองเพอมีสติรู้ทันจิตใจแล้วเนี่ยมันรักษาศีห้าได้เองนี่พอเรามีศีแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสงบมีความสุขนะ ถ้าเรารักษาศีลวันหนึ่งสองวันเราไม่รู้สึกหรอกแต่พอเรารักษาเปนาน็นา น, นานนานๆนะรักษาได้เป็นเดือนรักษาได้พรรษาหนึ่งรักษาได้ปีหนึ่งอะไรนี้ขึ้นไปนะทุกคราวที่เราคิดถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีนะเราจะเกิดสมัครที่อัตโนมัตินะมันจะอิมโมหิมใจสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งมาบวชรุ่นเดียวกันเป็นพระละหัน์ไปหมดเลยท่านไม่ได้อะไรเลยนะท่านไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเลยว่า เราบวชมาทั้งทีกับพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากวันหนึ่งนะเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยคนะ่าตัวตายนตอนที่ปาดคอเนี่ยยืนอยู่ยืนพิงกุฏิอยู่เงี้ยปาดคอปุ๊บมันยังไม่ได้ตายทันทีท่านเกิดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจะว่าเราไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เชิงนะ ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยศีลแล้วไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าไม่ไม่เคยว่าเราว่าทําผิดศีลเลยนะพอท่านคิดอย่างนี้นะท่านอิ่มใจอิ่มอกอิมใจขึ้นมานะสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเพราะสมาธิเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้สมาธิเกิดนะคือความสุขนะความอิ่มอกอิ่มใจความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะในอภิธรรมสอนเอาไว้ชัดๆเลยวันนี้ท่านนึกถึงว่าท่านรักษาศีลได้ดีท่านก็อิ่มใจขึ้นมา ยิมใจขึ้นมาสมาธิทรงตัวขึ้นมาท่านเห็นร่างกายมันจะตายนะใจของท่านเป็นแค่คนดูนะสุดท้ายขณะที่ท่านตายเนี่ยท่านหมดความยึดถือในกายในใจบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายแต่ว่าไม่มีพระองค์ไหนรู้ว่าท่านบรรลุพระอรหันตนะ์พวกพระก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฆ่าตัวตายไปแล้วนะรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอรหันต์นเสียใจเลยฆ่าตัวตาย พระองค์นี้ไปเกิดที่ไหนทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าพรเจ้าบอกไม่เกิดหรอกนะท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วในขณะที่ตายเรียกพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมารสีสีมรรลุในขณะที่ตายเนี่ยอาศัยศีล น, นะทำให้เกิดสมาธิมีสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเป็นทํางานเห็นกายจะตายใจเป็นคนดูหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในใจท่านบรรลุพระอรหันต์งนะั้นเราอย่าดูถูกศีล น, นะ เราตั้งใจรักษาถ้าเรารักษาได้ยาวนานเท่าไหร่เนี่ยนะพลังของจิตมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะที่เรานึกถึงที่ใดว่าเรามีศีลนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติหนยเรียกว่าศีลานุสตนะิมีศีลได้เป็นอนุสติระลึกตามระลึกถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วนะจะเกิดสมาธิขึ้นมาเราคารวานะทําสมาธิยาก ทั้งใจรักษาศีลไว้มันก็ได้สมาธิขึ้นมานะก็พอใช้ได้นี้พอเรารักษาศีลดีนะแล้วต่อไปเราสิ่งที่เราต้องฝึกอันที่สองอะ่ะก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่พูดภาษาไทยเลยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าพูดภาษาแขกก็คือฝึกสมาธิสมาธิมีหลายอย่างนะมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิ กลุ่มที่สองเป็นสมาธิที่ดีเรียกว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบเนสติขาดสตินะเป็นสมาธิที่มีราคะมีโทสะมีโมหะแทรกได้อย่างเวลาพวกเราหลายคนไปนั่งสมาธินั่งแล้วเคลิมลืมเนื้อลืมตัวใครเคยเป็นไหมนั่งแล้วเคลิมเนี่ยนั่งนะ โมหะครอบเนี่ยสมาธิอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสมาธิขาดสติแล้วโมหะครอบใครเวลานั่งสมาธิแล้วเครียดมีไหมนั่งแล้วเครียดนะ <c oughs> <c oughs> เครียดมากเลยนะอ น, นี้โทสะแทรกนะนั่งแล้วมีความสุขนะ <c oughs> ออกจากสมาธิมาตายังปล่อยอยู่เลยมีความสุขนะราคะแทรก สมาธิที่มีราคะมีโทสะมีโมหะนะสมาธิที่ไม่มีสตินะส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะเป็นสมาธิอย่างนี้สมาธิที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางนะสงบได้นะสงบแต่ลืมเด้อ ล, ลืมตัวบางทีก็นั่งไปแล้วเห็นโน้นเห็นนี้หลวงพ่อตอนเด็กๆนั่งไม่เป็นครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโตก็ทำนะทำแล้วลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นแลลมมันหยุด กลายเป็นแสงอันนี้เป็นแสงเราไม่รู้หลักนะออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยสมาธิถ้าส่งจิตออกไปเที่ยวฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นมิจฉาสมาตินะไม่ใช่ทางสมาธิที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องนะมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่มีราคาตัวสะโมหะนะนี่สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยยังแยกออกเป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสตินะสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวสบายๆมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเราพุโทโธพุธโทโธนะจิตเราอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยสงบสบายรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่หรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจไม่ลืมตัวเองนะหายใจไปหายใจไปจิตรวมจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกหายไปเลยก็เหลือจิตดวงเดียวนะยังไม่ขาดสติเลยนะ กระดานร่างกายหายไปหมดแล้วนะยังรู้ตัวอยู่มีจิตกับสติที่ทรงตัวอยู่สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะถ้าเราทำสมาธิชนิดนี้นะเอาไว้พักผ่อนเขาเรียกว่าอารม์มนูปนิชฌานจิตเนี้ยเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งไปจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งสมาธิอย่างนี้ถ้าเราฝึกได้นะก็เอาไว้พักผ่อนเวลาเราเหนื่อยเนื่อยนะ แล้วก็มาจับลมหายใจรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเห็นร่างกายมาหายใจใจสงบอยู่กับล ม, มไปเรื่อยมันได้พักผ่อนนะมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองหนึ่งนะหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยท่านเคยฝึกติดสมาธิมา10บกว่าปีประมาณ13ปีท่านติดสมาธิท่านเก่งเรื่องสมาธินะท่านบอกว่าอย่างคารวะนะเวลาเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยใจเราฟุ้งมากๆมีวิธีพักผ่อนนะ ก็เราลองกลั้นลมหายใจนะลองกลั้นลมหายใจแล้แลกวก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆ่ลองลองทำเดี๋ยวนี้ง่ายๆหายใจแล้วกลั้นใจนะแล้วก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆถ้าฝึกชํนานาญนะอ ย, อย่าอย่ากลั้นนานนะเดี๋ยวขาดใจ <laughs> เอาอึ๊บเดียวเท่านั้นนะอ่ะอึ๊บเดียวเท่านั้นนะก็ะจับที่ความรู้สึกสงบว่างๆนิ่งๆอันนี้เป็นวิธีพักผ่อน เราจะมีแรงอยู่ได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องนอนนะทำอย่างนี้มันจะสั้นคล้ายๆมีแรงขึ้นมาเนี่ยทีแรกอาจจะมีแรงชั่วโมงหนึ่งต่อไปเหลือครึ่งชั่วโมงไปเหลือนิดเดียว5นาทีนาทีเดียวสุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะงั้นเรื่องสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็มีมาก่อนผู้เช้าอีกนะก็ยังมีมาก่อนผู้เช้าอีก สมาธิมีอีกอันหนึ่งนะสมาธิที่ดีอ่ะมีอีกชนิดหนึ่งเนียสมาธิชั้นเลิศเลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูดูอะไรดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูความเป็นไตรลักษณ์ของใจเรียกชื่อภาษาแขกของสมาธิอย่างนี้นะว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนะเห็นลักษณะนะสามารถเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ ของกายของใจของรูปของนามสมาธิอย่างนี้แหละที่เอาไว้เจริญปัญญานะถ้าจะพูดภาษาแขกบอกให้ฝึกลักขณูปนิชฌานนะให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูฟังแล้วเข้าใจยากภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะรถตรงมากเลยพวกเรารู้จักไหมคำนี้ว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะรู้จักลืมตัวไหมลืมเนื้อลืมตัว ลืมเน้ลืมตัวหมายถึงอะไรใจลอยไปเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจงั้นเรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้สําคัญมากเลยนะถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี้ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจแล้วถ้าเราลืมกายลืมใจไปหมดแล้วนะจะไปเห็นไตรลักษณ์ที่กายที่ใจได้ไงก็ลืมไปหมดเลยนะก็ขาดสติไป งั้นเรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนในโลกเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมานะใจออกหนีไปเที่ยวที่อื่นหมดเลยตื่นนอนมาพวกเรารู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าใขา้รู้บ้างไม่มีอะนะยากมากเลยแล้วตื่นนอนมาหายใจไหมหายใจแต่ใจมัวแต่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมพอตื่นนอนมาสมัยก่อนหลวงพ่อรับราชการตื่นนอนมาต้องรีบนึกก่อนว่าวันนี้วันอะไร วันนี้วันจันท์อใจเหี่ยวเลยนะเดี๋ยวต้องไปทํางานขี้เกียจนะวันอังคารเนี่ยขี้เกียจเยอะเลยนะวันพุธเนี่ยเซ็งเงวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขละรู้สึกไหมถือวันพฤหัสเริ่มมีความสุขวันศุกร์ก็ดีกระดาวันศุกร์เนี่ยมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วทั้งๆที่ยังต้องทํางานเหมือนปกตินั่นแหละแต่ก็เริ่มมีความสุขละวันอาทิตย์บ่ายๆเนี่ยเริ่มเซ็งอีกแล้วรู้สึกไหม เนี่ยเราถ้าเราคอยรู้สึกนะมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่เราชอบใจลอยใจเราชอบหนีนะลืมตัวเองเรื่อยๆต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้สึกกายรู้สึกใจให้จิตใจอยู่กันเดียกับตัวร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเอาทุกคนยิ้มยิ้มซี้ยิ้ ม, มหวานยิ้มเหมือนเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล้ยิ้มเลยแล้วเห็นร่างกายยิ้มไหม รู้สึกไหมร่างกายเป็นยิ้มไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกนะลองแกล้งทําหน้าบึ้งซิลองทำได้ไหมทําเป็นไหมหน้าบึ้งรู้สึกไหมรู้สึกในร่างกายไหมไม่ใช่ยากเลยไหมเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ในตัวเราเองนะในร่างกายนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆนะ ถ้าไม่ชอบรู้สึกร่างกายก็รู้สึกที่ใจรู้จักความสุขไหมใครไม่เคยมีความสุขเลยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยสุขเลยมีไหมก็ผิดปกติเมื่อไหร่ที่ความทุกข์มันลดลงนะเราจะมีความสุขอย่างทุกวันสมมัยเราติดติดคุกนะเราโดนซ้อมทุกวันเลยทุกวันตื่นเช้ามาผู้คุมต้องเคียวเราสิบครั้งวันนี้มันเคียวเราเก้าครั้งนะเราจะมีความสุขนะ อีกวันนึงมันเขรียน8ครั้งเราก็มีความสุขอีกมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันมาเขียนเรา9้าครั้งขึ้นมาอีกนะเรารู้สึกทุกข์เยอะแล้วทั้งที่เมื่อวานถูกเขียน9้าครั้งนั่นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยม่อวันศืนเนี่ยสุขทุกข์นะมันอยู่ที่การเปรียบเทียบเอานีสัมผัสนะเนี่ยความสุขพวกเราก็รู้จักต่อไปนี้นะถ้ามีความสุขเกิดขึ้น ในร่างกายหรือในใจเราก็ได้แต่ความสุขในใจเนี่ยจะเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยรวดเร็วน่านาดูกว่าความสุขในร่างกายหรือความทุกข์นะก็เหมือนกันความทุกข์ในจิตใจเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเวลาใจเรามีความสุขให้รู้ทันเวลาใจเรามีความทุกข์ให้รู้ทันในแต่ละวันเนี่ยใจเราไม่เคยเหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์รู้สึกไหมแต่ละวันใจไม่เหมือนกันแต่ละเราไม่เคยสนใจมัน <mile> ต่อไปนี่สนใจมันสะบักนะจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกรู้ทันต่อไปเราจะรู้นะมันไม่ใช่เปลี่ยนเป็นวันวันไม่ใช่วันนี้มีความสุขวันนี้มีความทุกนะในวันเดียวกันนะคนละเวลาเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนเช้านะความรู้สึกก็อย่างหนึ่งนะสายๆก็อย่างหนึ่งตอนเที่ยงความรู้สึกก็เปลี่ยนไปตอนบ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนไปตอนเย็นตอนค่ำความรู้สึกก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ทั้งวันเลย นี่เราค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วนะพวกเรารู้จักโกรธไหมคนไหนขี้โมโหมีไหมห้องนี้คนไหนขี้โมโหยกมือซิโช่หน่อยคนมีบุญนะขี้โมโหคนมีบุญที่สุดเลยเพราะเป็นกรรมฐานเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดโทสะเนี่ยนะแต่ถ้าดูไม่ดีนะตกนรกโทสะเนี่ยพาตกนรก คนไหนขี้โลคชอบเจออะไรชอบไปหมดเลยนะเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบขี้โรคหรือไปเดินช้อปปิ้งนะไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไไดมีไหมนะเดินเข้าไปตามศูนย์การค้าไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไ อ, อ, ยไดอยากไปหมดเลยเนะี่ยถ้าคนไหนขี้โกรธนะความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะไม่ใช่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันเอาแค่ว่ามันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธ หรืคนไหนขี้โลภก็ดูไปใจมันโลภเมื่อไหร่รู้ว่ามันโลภไม่ห้ามใช่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าโลภอย่ากโกรธอย่าหลงไม่ใช่นะท่านสอนง่ายๆเลยดูกราพิกสูทั้งหลายจิตมีราคะราคาก็จิตมันโลภเ่ยดูกราพิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนา ถ้าไม่ได้สอนเลยนะว่าห้ามมีราคาหรือมีราคาแล้วให้รีบละเสียไม่ได้สอนอย่างนั้นในในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีคําละอะไรเลยนะมีแต่รู้อย่างที่มันเป็นนะพยายามรู้อย่างที่มันกำลังเป็นอยู่จิตมีความโลภขึ้นมารู้ทันก็้เห็นนะความโลภมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายนะจิตมีความโกรธขึ้นมารู้ทันเราก็จะเห็นอีกความโกรธมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปพวกเราเคยโกรธนานๆานไหใครเคยโกรธนานน ไม่มีใครโกรธได้เป็นวันใช่ไหมเวลาเราโกรธใครสักคนเนะ่ยเราจะโกรธตอนที่เราคิดถึงแต่เวลาเราลืมไม่คนนี้ไปนะเราก็หายโกรธความโกรธก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งวันนะหรืออย่างเวลาอกหักนะเรารู้สึกแม้ทุกเป็นปีเลยไม่จริงหรอกอย่างตอนนั่งหลับไปนอนหลับไปนะก็ไม่ได้ทุกหรอกเห็นไหมมันทุกตอนที่คิดถึงคิดถึงสมว่าเขาหักอ ก, อกเรานะคิดถึงเขาโอ้เสียใจทิ้งเราไปแล้วนะ เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นนะอย่างโน้นหมุนเวียนเนี่ยใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดใครเคย อ, อกหักบ้างมีไหมในห้องนี้ยกมือหน่อยก้าหันหน่อยเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได้รู้จักรสชาติของชีวิตนะบางคนบอกไม่เคย อ, อกหักเลยไม่มีใครเขารักสิ <c oughs> <c oughs> หาไม่ได้หรนะือไม่มีฝีมือ <c oughs> ใครเคย อ, อกหักหลายครั้งเกินสองครั้งมีไหมมีไหม ไม่กล้ายกแล้วเขินมีตอบเพืนยึกยักๆึกยักนะอกหักครั้งแรกเจ็บมากเใช่ไหมครั้งต่อๆมาเนี่ยจะลดลงลดลงนะอกหักครั้งที่ยี่สิบเนี่ยเฉยๆมันชินแล้วเหมือนตีนกาขึ้นนะ่ะนึกเอาไหมตีนกาอันแรกรู้สึกเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมอยู่ไปอยู่ไปตีนกาขึ้นเพียบเลยเฉยๆแล้วละ่ะ ก็ดูดีเหมือนกันเหี่ยวเหียวอย่างนี้ก็ดูน่านับถืออย่างี้ผมงอกออกมาเส้นแรกอะรู้สึกไงสดชื่นไหมผมงอกแนละ้วบุญจังเลยไม่มีอะพอผมงอกหลายเส้นใช่ไหมผมงอกเต็มหัวแล้วยอมรับสภาพแล้วไม่กลุ้มใจแล้วแต่หาทางย้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยการที่เราจะวัดใจตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากหรอก เห็นผมหอกแล้วใจเราเป็นยังไงเนี่ยเห็นคนนี้ใจเราเป็นยังไงได้ยินเรื่องนี้ใจเราเป็นยังไงอย่างตอนนี้มีแต่เรื่องการเมืองได้ยินการเมืองแล้วมีความสุขไหมสดชื่นอู้คนนี้ด่าคนนี้สนุกจังไม่มีหรอกฟังแล้วมีแต่โทสะนี่ไม่สบายใจไม่สบายใจให้รู้รู้ทันใจนะเอาหลักที่พระเจ้าสอนดูกราพิสูททั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่สบายใจมีโทสะเนี่ยเราเฝ้ารู้นะ เฝรู้ลงในร่างกาย้ารู้ลงในใจเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเวลานอนเนี่ยยังเปลี่ยนขยับไหมตอนนอนต้องพลิกไปพลิกมาเห็นไหมเห็นร่างกายมันพลิกไปพลิกมานะหรือจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนทั้งวันเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยน จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนเรานั่งคิดนึกหลงแต่งเรื่องน้อนเรื่องนี้ใจก็เปลี่ยนคิดถึงคนนี้ก็โกรธขึ้นมาเห็นไหมคิดถึงคนนี้ก็ชอบขึ้นมานเลยนีย้ใจมันเปลี่ยนหน้าที่เรานะก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจตัวเองบ่อยๆเห็นไหมกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากหรอกไม่ต้องพูดภาษาบาลีสักคาเลยก็ยังได้นะ ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือคําว่าสมาธิที่ดีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยเยมันก็หายใจออกเนี่ยมันก็หายใจเข้าเห็นจิตใจเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะดูไปเพื่ออะไรดูไปเพื่อวันหนึ่งนะจิตมันจะสรุปจิตมันจะเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมา จิตมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราวนะต่อไปก็จะเห็นอีกร่างกายที่หนุ่มสาวก็ชั่วคราวร่างกายที่เจ็บป่วยก็ชั่วคราวมีไหมควัมเจ็บป่วยที่ไม่หายมีไหมอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยหายไหมหายพร้อมกับชีวิตยังไงตายพร้อมกันกับมะเร็งมะเร็งไม่แยกเก่งกว่าเราหรอกอย่างมากก็เสมอกันะ เห็นไหมเราถ้าเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เป็นเยอะใช่ไหมเราต้องรู้จักคิดนะมันจะเกิดกําลังใจมะเร็งไม่มีทางชนะเราอย่างมากก็เสมอกันถ้าเรารักษาหายเราก็ชนะมันใช่ไหมถ้ารักษาแล้วไม่หายเสมอกันไปด้วยกันมไหอไม่แพ้มันหรอกฟังแล้วมีกําลังใจไหมใส่น่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยดูนะร่างกายมีแต่ของชั่วคราว จิตใจเขามีแต่ของชั่วคราววันหนึ่งใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวถ้ารู้อย่างนี้ใจก็เลิกดิ้นนะใจของเราดิ้นรนทุกวันนะสแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ใจของเราดิ้นอยู่ยตลอดเวลาย่านงะอยากกินของอร่อยเนี่ยอยากเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะก็อยากเป็นสุขใช่ไหม กลุ้มใจไปกินเหล้ากินเหล้าอยากให้ทุกไหมไม่อยากให้ทุกนะหาความสุขอีกอยากจะหนีความทุกเนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะหาความสุขเพื่อจะหนีความทุกตลอดเวลาเลยไปจีบสาวสักคนหนึ่งหวังว่าจะทุกไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมหวังว่าจะมีความสุขเราอยากได้ความสุขนี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงนะความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกมันก็ชั่วคราวจะดิ้นรนหาอะไรนักหนานะจะไปหาของชั่วคราวไปหามันทําไมใช่ไหม สุดท้ายนันก็จะเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยใจมันจะหมดแรงดิน้นนะใจมันจะหมดตัญหาเมื่อไรเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเรียกว่าเรารู้ทุกขนะ์นะเมื่อจระละความอยากได้หมดสิ้นไปจะหมดความอยากหมดตัญหาโดยอัตโนมัติเลยเพอใจไม่มีตัญหาใจไม่มีความอยากเนี่ยใจจะสงบสุขคําว่านิพพานนิพพานเคยได้ยินไหม นิพพานเป็นยังไงนิพพานมีลักษณะอย่างหนึ่งนะเรียกว่าสันติลักษณะสันติลักษณะนิพพานมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากความอยากสงบจากกิเลสนะสงบจากตัวทุกข์สงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนเนี่ยถ้าเมื่อไรใจมันเห็นว่าทุกอย่างเ ท, าเท่าเทียมกันหมดนะใจมันจะไม่ปรุงแต่งใจมันจะไม่ดิน้นรนใจมันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้น งั้นรู้ทุกเมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากเมื่อนั้นนะรู้ทุกนั่นแหละทําให้ละตัณหาได้งั้นเมื่อไหร่ที่รู้ทุกเมื่อนั้นเมื่อนั้นละตัณหาเมื่อไหร่ละตัณหาใจปราศจากตัณหาปราศจากความอยากใจจะสัมผัสพระนิพพานทันทีเลเพราะพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากงั้นรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละความอยากเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้น ข้าแจ้งท่นนี้ผ่านเมื่อไหรนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นไงั้นถ้าเราหัดภาวนานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้รักษาศี่ห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยไปนะฝึกไปเรื่อยนะชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆ อ, อย่างคนที่ฝึกกับหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยนะ เรามาขอบคุณหลวงพ่อเนี่ยเยอะอะไไปไหนมาไหนเป็นที่เจอมาขอบคุณมาชีวิตของเ้าดีขึ้นชีวิตของเขาเปลี่ยนเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงนะใจโปร่งโล่งเบาบางคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าเห็นโลกเนี่ยกับจิตใจของเราเนี่ยมันแยกออกจากกันกายกับใจเกาแยกออกจากกันความสุขความทุกข์แยกออกไปนะมันแยกออกไปเป็นส่วนส่วนส่วนแล้วไม่มีอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่ง ต้องฝึกนะใช้เวลาทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละตือสีนห้าพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทำงานไปเรื่อยนะสักเดือนสองเดือนไม่ใช้เวลาเยอะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กิกก๊อกเนะี่ยทำกันห้าสิบปีก็เหมือนเดิมไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นทำผิดแน่นอนเลยถ้าทาถูกนะเดือนหนึ่งเดือน3เดือนบางคนเห็นผลแล้วนะ หรือะช้าหน่อยเจเดือนเห็นผลขึ้นมาค่อยๆฝึกไปให้ฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองตั้งใจรักษาศีลให้ใจอยู่กับตัวเองดูกายทํางานดูใจทํางานเรื่อยๆไปไม่กี่เดือนหรอกเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าพิเศษจริงๆเราจะรู้ว่าพระอริยะก็มีจริงๆพระอริยสงฆ์นะเพราใจเราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้น จะมีความศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานะไม่คลอนแคลนง่ายๆหรอกเพราะเห็นประโยชน์จริงๆอยูนะ่ในโลกเนี่ยอย่างพ่อแม่เราก็มีอุปการะกับเรามากใชนะครูบาอาจารย์ก็มีอุปการะมากเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นรู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์มีอุปการะมากจริงๆอย่างพ่อแม่เลี้ยงเรานะก็เลี้ยงได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะ หรือเราทําอะไรนะใครมาช่วยเหลือเราก็ช่วครางช่วคราวเทนั่นนะนธรรมะอยู่กับเราตลอดไปอยู่กับเราทางชาติเลยถ้าชาติหน้าตายแล้วไปเกิดอีกธรรมะัิดตามเราไปเดีย๋ยวบางคนนะตอนเด็กๆนะียเวลามีอะไรตกใจให้นมาจิตมันตื่นพว๊บขึ้มนมาอะไรนะมันขันร่างกายจิตใจแยกออกจากขันอัตโนมัติไปพวกนี้เคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆแนะ้ว ในพวกเราหลายคนนะที่ฝึกพอใจมันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเป็นตื่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าสภาวะอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะสภาวะอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วอันนี้ของเก่าเคยมีมาเนี่ยของที่ไม่สูญหายไปนะจะตามเราไปความชั่วก็ตามเรานะธรรมะนี่ก็ตามเราไปความชั่วก็ตามเราเหมือนกันนะส่วนทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นของคนอื่นไป ลูกเมียก็กลายเป็นของคนอื่นไปนั้นเราหาของที่มีคุณค่าให้กับตัวเองนะอย่าเสียชาติเกิดไหนๆก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างน้อยตั้งใจรักษาศีล5้านะพยายามให้ใจอยู่กับตัวเองบ่อยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวอย่าใจลอยนานรู้สึกบ่อยๆดูกายดูใจทำงานนี่3มข้อเท่านั้นเองถือศีล5้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับเน้อกับตัว ดูกายดูใจมันทำงานไปนะทำได้อย่างนี้ไม่นานหรอกเพราะจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะไม่เสียชาติเกิดแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้จะรู้สึกใจหายจะใจหายว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนี่นะจะเสียโอกาสใจจะรู้สึกอย่างนั้นนะและสมควรแก่เวลานะปกติหลวงพ่อเทศ45นาทีทาไมเทศสีนาทีทุกที่ส่วนใหญ่เทศแค่นี้แหละ เพราะว่าสมองของคนเนี่ยสนใจอะไรได้จริงๆ45นาทีเกินนี้เริ่มฟุ้งซ่านแล้วนะนี่เอางานวิจัยมาดูแล้วก็เทศแค่นี้พอมากกว่านี้อยากกลับบ้านกับไปพ่ออาจารย์ค่ะเมื่อปีที่แล้วพี่พรออาจารย์เิมีปิติไหมมีค่ะเออทิ่มีปิติแล้วทำยังไง ก็รู้สึกเออรู้สึกนะเห็นไหมปิดตีไม่เทียงยังไม่เห็นาเห็นได้ยังเออเห็นแล้วใช้ได้อ่าว่ามาอ๋อพระปีที่แล้วที่พระอาจารย์ให้ให้รู้สึกเข้าไว้หดี๋ก็ก็จะรู้สึกว่าเวลาจะภาวนาเนี่ยตอนแรกแรกก็ใช้ภาวนาพุทโธเรารู้สึกตั้งไปตันงแล้วเดี๋ยวมันชินยกใหม่ทั้งปั้งงี้พอภาวนาพุทโธเสร็จมันตั้งมันท่านเราชินชินแล้วใจมันลอยบ่อยเออก็เลยใช้สวด เออแต่นี้ก็ยังรอยเออไม่ห้ามนะอย่าให้ลอยนานแต่ว่าไม่ห้ามรอยกลมาอยู่กับสวดต่อเออได้เนี่ยสังเกตไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมใ ช, ใช่ไหมใจมันจะเปลี่ยนนะ้มันเหมือนเป็นชีวิตใหม่เลยนะแล้วมันรู้สึกดี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังๆก็จะรู้สึกเราอยู่กับการสวดได้นานมากขึ้นรู้สึกไมมถือศีลง่ายขึ้นรู้สึกไห ม, ไหมว่าใจสงบมากขึ้น<ะ>เห็นไหมศีล ส, สมาธิมันมาหมดอนะ่ะ สังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นแล้วใช่ไหมขันแยกแล้วนะถ้าถึงตรงนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ทําอะไรมากแล้วก็ดูเขาทําอย่างนี้แหละดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานนะะถึงมันหนึ่งปัญญามันพอมันก็ผ่านของมันไปมันก็ปล่อยไปทําอีกยังไม่พอยังไม่ปล่อยหรอกเพราะว่ายังหลงยาวอีนิดหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์ให้นั่งสมาธิทุกวันวันละชั่วโมงอืมนั่งได้ไม่ถึงหรอคะได้เท่าไหร่ล่ะก็ ก็แล้วแต่ภาวะขนาดนั้นอะไรไือได้จะกําหนดนะคะเอไม่ได้กําหนดเหรอแต่นั่งทุกวันไหมต้องทําทุกวันนะไม่ทุกวันกายไม่ทุกวันแต่ใจไม่ได้เราต้องเอาร่างกายไปทําด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วถอดจิตไปนั่งสมาธิอย่างงี้ขี้โกงมันทําได้นะอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเรานั่งไปแล้วมันเฉยได้ไหมอะไรนะความรู้สึกมันเฉย มันอะไรนะมันเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยรู้ว่าเฉยแล้วมันก็จะมีช่วงที่ว่ามันมันเหมือนเราตกลิฟต์อ่ะอ๋อจิตมันจะรวมเราไม่ชํานาญมันเหมือนคนหัดขับเลยบินอ่ะขับยังไม่เก่งเวลาลงสนามบินนักแทกโครมเลยแต่อไปชํานาญแล้วลงนิ่มๆทำต่อใช่ไห้คะทำต่อทําให้พอนั่นแหละไม่ได้ทําทุกวันหรือมันถึงกระแทกหระถ้าฝึกทุกวันนะให้ใจรวมจะลงสวยๆนะลงนุ่ม กราขอพระคุณหลวงพ่อค่ะหนูว่าเป็นมะเร็งค่ะแล้วหนูก็ผ่านการเคมีมาได้ด้วยการฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ทําตามแล้วสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยแม้แต่น้อยโอ้คือหนูก็ดูเพราะว่าหนูเคยฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้ากินหมอถ้าถ้าใช้มอรฟีนมันจะทําให้เราเบื่อแล้วเราภาวนาไม่ได้หนูก็เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ยอมยอม ก็ดูความเจ็บปวดก็จะบางทีก็จะเห็นเห็นจิตที่มันมีโทสะที่มันดิ้นดิ้นดดินไม่ชอบความเจ็บปวดนี้แล้วก็จะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่มันดิ้นก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่บางทีมันก็เห็นจิตเออมันก็แยกกันเนาะแล้วก็บางทีแต่แต่คือจะรู้เลยว่าไอ้ความความเจ็บปวดเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดดับมันไม่ได้มีตลอดเวลาใช่ใเราจะเย่างเวลาเรามีความทุกข์นะเรานิดว่าทุกข์ตลอดจริงๆไม่ใช่หรอกมันเกิดดับเกิดดับมันมีช่วงที่มี ทุกมันดับไปเลยปวดตลอดมันจะปวดมันจะเจ็บปวดแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปมันจะเป็นอย่างเนี้ยใช่มันเกิดดับค่ะอือแล้วทีนี้คือหนูก็อยากให้หลวงพ่อช่วยช่วยไม่ไม่ทราบว่อย่างนี้หนูทำถูกใช่ไหมคะทำถูกแล้วนะขันเขินได้แยกหมดแล้วค่ะแล้วเรียกว่าป่วยเขาเนี้ยคุ้มนะค่ะต้องขอบคุณความเจ็บป่วยมากๆที่สอนให้หนูถ้าไม่อย่างนั้นนะหนูก็คือปฏิบัติหนูก็ฟังทีหลวงพ่อทุกวันแต่ว่า หนูก็คือพูดตามตรงคือก่อนหน้าเนี่ยหนูก็ทํารูปแบบเนี่ยไม่ได้ทุกวันแต่หลังจากหลังจากที่หนูครั้งแรกที่หนูที่หลวงพ่อมาแล้วหนูมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูไม่จิตหนูไม่มีกำลังหนูก็เลยพยายามทําทุกวันและตอนนี้หนูทําทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วหนูก็ฟังพอดีหนูไปเปิดในยูทูบคุณมารีสอนเดินจงกรมอ่ะหนูก็เลยตอนนี้หนูก็จะเดินมากกว่านั่งเนี่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่าเดินแล้วมันดีกว่าค่ะหนูควรจะทํายังไงต่อไปทำอีกสิทาไปด้วยนะ เราปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราทําตลอดชีวิตนะนี่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่การปฏิบัติเราก็เพื่อล้างกิเลสไปถ้าหมดกิเลสแล้วปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะเราปฏิบัติทั้งชาติเลยฝึกไปแยกธาตุแยกขัดใด้ชนานาญใช้ได้เชียวล ะ, ห, ะหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะปฏิบัติภาวนาบูชาพระพุทธเจา้าแล้วก็หลวงพ่อด้วยหลวพ่อมีบุญคุณกันหนูมากค่ะสาธนะุนะอนุโมทนาน หนูจะทำจนลมหายใจสุดท้ายคออชีวิตตัวเองค่ะต้องอย่างนี้แต่อย่างนี้เลยชอบมากเลยมาสอนเนี่ยนะไม่เก็บตังค์นะออที่บินไปต่างประเทศไม่เก็บตังค์เขาหรอกนะขอให้ภาวนาแล้วได้อย่างที่ถูกใจน้มัสการค่ะครั้งที่แล้วที่โยมเคยส่งกันบ้านของพ่อที่โยมเคยบอกว่าโยมเคยเห็นสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอืแต่โยมก็ไม่เคยเห็นสภาวะนั้นอีกเลย แล้วครั้งที่แล้วที่โยมเรียนถามหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบอกว่าโยมเพ่งแรงไปวันนั้นน่ะโยมก็ไม่รู้สึกตัวว่าโยมเพ่งแรงไปจนกระทั่งตอนวางใหม่หลวงก็โอ้หมันแน่นมากจริงๆในตอนขณะที่คุยกับหลวงพ่อโยมไม่รู้ตัวอืแล้วโยมก็กลับไปปฏิบัติทุกครั้งที่โยมสวดมนต์โยมก็รู้สึกว่ามันแน่นมากและณตอนเนี้โยมรู้สึกตัวเลยว่าภาวะการแน่นเนี่ยมันเกิดบ่อยมากมันบ่อยแล้วก็มันถี่ พอเวลาโยมแน่นปุ๊บยมก็รู้สึกว่าคื อ, คอมันจะมีภาวะที่ว่ามันแน่นเหมือนตอนนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าแน่นเป็นก้อนอยู่ที่หน้าอกหรือบางครั้งเนี่ยพอยมพอไม่ชอบโยมตามลมหรือผ่อนคลายไปหรื อ, รอละไปทําอย่างอื่นมันก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองวอบวอบเย็นเข้ามาที่อกอืหรือบางครั้งมันก็วิ่งไปที่ผิวหนังหรือที่ใช้ทเทอาต้อ ง, องทําอย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นนั่งจ้องไว้นะ <laughs> <laughs> จ้องไว้ไม่อึดอัดสิ โ <c oughs> ยมก็จะถามว่าโยมควรจะต้องทํายังไงต่อไปนั่นแหละปล่อยแล้วก็ตามรู้ไปอย่าไปจ้องไว้คือเราต้องสมหัวใจเด็กนในการภาวนานเด็กๆเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมบางทีมทะเลาะกับเพื่อนโกรธแล้วโกรธร้อยปีมันดีร้อยชาติเลยแต่ชาติมันสั้นสองสามนาทีเดี๋ยวมันดีกันอีกแล้วใจเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุกขร้องไห้น้ําตายังไม่แห้งเลยหัวร้ออีกแล้วนะใจของเราจริงๆเป็นแบบนั้นนันเปลี่ยนตลอด แต่เด็กเนี่ยขาดสติแต่มันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้หมดเลยแต่ขาดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเราเข้าไปแทรกแซงเราเข้าไปบังคับมันทําไมเราไปแทรกแซงไปบังคับมันนะเราอยากดีรักดีหามจัวจ่วจั่วหนักนะไม่ใช่เบาเบคือคือโดยความรู้สึกของตัวโยมเองเนี่ยโยมโยมไม่รู้ตัวเพราะโยมโยมจะทําให้มันดี เหมือนเช่นว่้เหมือนเหมือนเช่นว่าโยมอ่านหนังสือรถแบบของหลวงพ่อเนี่ยโยมอ่านได้บรรทัดสองบรรทัดมันก็แน่นเอ้ยไม่เอาถ้างั้นไม่ต้องอ่านมันอยากดีพรอมันพอตั้งใจอ่านมันก็ขึ้นมาหรือบางทีแม้แต่คุยกับคนคุยกับลูกค้าป๊อเนี่ยพอเห็นเขาปุ๊บมันก็กระแทกใจโยมมเข้ามาแบบมันขึ้นมาเลยอ่ะเป็นก้อนโยมเห็นว่าก้อนมันมามันมาได้ยังไงก็ไม่ร้องโยมไม่ต้องไงยแค่เราแบบละสายตาไปมันก็ แป๊บเข้ามาแล้วเราก็หายใจพอหายใจมันก็เหมือนก็หลุดได้เหมือนกับนะคะแต่บางทีพอยอมตามลมมันก็จะเหมือไม่ต้องไม่ต้องไปสู้กับมันมแค่ <ไป S 2> รู้<า>นะพยายามสู้เลยต้องฟัดกันไปเรื่อยๆแค่รู้ว่ามันแน่นไม่เก่งไหมแน่นก็ไม่เที่ยงสังเกตงไหมมันแน่นได้เองมันแน่นเองแล้วมันแน่นบ่อยมากอะหลวงพ่มันมอบ <จะ S 1> ่นนะนนแ่ะหรือไม่แน่น่่่นนะไมใชสําคัญ ที่สำคัญคือมันเป็นเองมันเป็นเองค่ะเพราะงั้นการที่เราเห็นว่ามันเป็นไปเองนะหมายถึงเราเห็นอนัตตานั่นเองเ อ, อนาตาอัตตาเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจเห็น้มันเป็นเองงั้นธรรมะเนี่ยสอนเราอยู่แล้วแต่เราไม่อยากได้อันนี้เราอยากได้อย่างอื่นมไม่ชอบแม่เออนั่นแหละปัญหาอยู่ที่ใจไม่เป็นกลางแต่ <c oughs> และขอโทษนะหลวงพอ่อคือมีกัลรรยาณมิตรท่านนึงท่านบอกว่าคือคุยกันในเฟสท่านบอกว่าให้โยมแบบ พี่โยมทําอยู่เนะี่ยมันไม่เป็นกลางอือไม่เป็นกลางสิให้โยมทำเบาเบารู้หลวมหลวมรู้สบายสบายให้เป็นกลางทีนี้โยมก็หลงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ตอนนี้อ่ะหลงค่ะหลงใช่ไหมหลงรู้สึกตัวไปสบายสบายเห็นร่างกายหายใจไปครับใจเราฟุกเก่ง งนะ <Okay. S 1> ั้นเอาลมหายใจมาช่วยนะก็ได้หายใจแล้วรู้สึกสบายสบายหายใจแล้วรู้สึกสบายสบายหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไป <Okay. S 1> สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจมันเปลี่ยนแปลงได้เองนะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจซึ่งมันเป็นไปเองอ่นะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันนี้อย่างตอนเนี้ฝึกอยากจะไม่ให้มันแน่นนะจะเอาว่างๆสบายจะไม่เอาแน่น ถ้าฝึก อ, อย่างนั้นนะยุ่งตายเลยแค่รู้เฉยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไงมันแน่นก็รู้มันหายแน่นก็รู้ยิ่งเราไปเกลียดมันนะยิ่งแน่นใหญ่ยิ่งอยากอยากให้หายยิ่งแน่นไปทําเล่นๆเคล็ด <c oughs> ลับเลยนะเนี่ยนะทําเล่นๆเนาะทําเล่นเล่นได้ของจริงนะ <c oughs> ทําจริงๆได้ของเล่นนริศการหลวงพ่อครับ ผมเคยไปทรงกันบ้านหลวงพ่อที่บ้านจิตสบายครั้งครั้น้าที่ผมทรงหลวงพ่อคือว่าการปฏิบัติของผมที่ผมเคยบ่งพ่อว่ามันผิดโยมยกไม้ยกไม้ตั้งตั้งอย่างนี้ไม่ต้องขนมมือถือไม้ครับตั้งการปฏิบัติของผมมันผิดะผมรู้ตัวว่าผิดแต่ผมผมมานั่งหน้าบ้านผมไปเห็นต้นไม้ว่าแต้นนั้นถูกแล้วต้นไม้ไม่มีน้ำหนักนั่นฮะแต่ตัวผมมันหนักกอนั่นแหละใจเราหนักอเลยเคยรายงานหลวงพ่อไปแล้ว แต่ที่นี้ก่อนที่ผมจะตึงสภาวะตรงเนี้ครั้งทีแล้วผมได้งานหลวงพ่อไปหมดเพราะว่าครั้งแรกเจอหลวงพ่อผมพข้ามาคือที่ผมเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเมือ่อพฤศจิกาห้าห้าปฏิบัติมาก็นั่งพูดให้ใจเข้าโทรให้ใจออกแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเนี่ยมีการปฏิบัติก็นั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างก็ทำไปเรื่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมนั่งสมาธิแล้วก็ความช้าตื่นขึ้นมาแล้วออกจากบ้านขับรถไป ขณะที่ขับรถไปเนี่ยมันเกิดไปเห็นในร่างกายเนี่ยไม่ว่าส่วนไหนส ม, มองไปจนไหนตั้งตีตาผมลืมผมก็รู้ไปเห็นมันมันเห็นเปรตกระโดดคนมาทุกสิ่งทุกอย่างการเห็นนี้ไม่จะ เ, เห็นไม่จะเห็นเพียงเดียวนะครับว่อผมเห็นยนยันบ่ายโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันบ่ายโมงเนี่ยมันเห็นได้แต่มันจะไม่เกินเจ็ดวันนี่ยมันจะหายทีนี้ไอ้ที่เห็นนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยผมจะเป็นคนที่ว่าโทษฐานโทษะฮะ ผมไปยื่นชีเนี่ยมันเห็นพลุผู้โป่งบนไหลหลวงพอ่อมผมผมมันก็ไม่เชื่ อ, อมผมก็ปล่อยเฉยแล้วก็มาทรงกันบ้านพ่อของนั้นแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยหลังจากทรงกันบ้านหลวงพอ่อสลงกันบ้านพอ่อที่บ้านจิตสบาได้สักสามเดือนแล้วผมฟังสีดีหลวงพอ่พอเพราะหลงพ่อบอกว่าถ้าเราอยากไม่ให้จิตพุ่งสร้างให้ไล่ตั้งแต่ผมให้จิตไล่ตั้งแต่ผมให้ทั้งทุกส่วนอืมผมก็ตอนเย็นนะประมาณหกโมงครึ่งเจ็ด ท่มนึงเนี่ยผมก็จุดทูปจุดเจียนวิชาพระในผมก่อนลงนั่งคัดสมาธิใจก็นึกว่าครูบาลังตั้งกายตรงนำลงสติข้อหน้าเพราะความรู้สึกมันแตะที่หน้าอกไม่รู้วม hey, ือไขวมันมาฉีกที่หน้าอกผมก็แปลกใจผมก็ไปแตะที่ผมมันก็ดึงผมหมดไปแตะที่ขาขราดไก่มันก็ดึงมันฉีกขาขระดไก่แหกเนื้อแหกฟันทิ้งหมดเอดี ทุกส่วนของล่ากายผมแตะหมดจนแม้กระทั่งเอาไว้ว่าเพศเนี่ยผมก็ไปแตะผมไปแตะปั๊บมันฉีกทิ้งอมพอทีสุดท้ายเนี่ยทวันนักมันชีกระาสะบัด ต, ตัวผมก็นึกเหมือนว่าผมเปรียบเทียบกับอะไรผมเปรียบเทียบ เ, เ, เ, เลยว่าเหมือนไอหมาที่ลงมาในน้าผมขึ้นไปจะนาสะบัดขนสะบัดสะบัดรุดแล้วผมก็ออกแก่สมาธิผมยังไม่ได้เข้าสมาธินะพ่อผมยังไม่เข้าแต่พอ อกหมาผมมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างส่วนหนึ่งมากั้นระวังความรู้สกายอ่ามันคนละอันนั่นแหละมันมีช่องว่างมากั้นแล้วการปฏิบัติของผมพ่อมันมันผิดแปลไปบ้างหรอือเปล่าไม่ผิดเลยนะปฏิบัติถูกแล้วถ้าเราชำนาญดู ก, กายแล้วก็ดูอย่างนี้แหละพอหมดกายก็เข้ามาที่จิตนะก็จะเห็นในกายไม่ใช่ตัวเรา จิตเขาไม่ใช่ตัวเรานะอย่าจิตมันคิดนึกปรุงแต่งมันทําได้เองดูออกไหมนี่โยมดูไปด้วยดูกาดูจิตสภาวะเช่นนี้ตั้งแต่เช้านตื่นนอนมันสบายดีจนถึงเวลาเนี้ยมันดูไม่เลิกครับพ่อโอ้ยไม่เลิกห้ามเลิกด้วยคือมันถึงขั้นที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะมันพุ่วับวับมันดูไม่เลิกอยู่แบบนี้เออมันอัตโนมัติไปหมดแล้วทําถูกแล้วมันเลิกไม่ได้ มันเลิกไม่ได้ไม่รู้จะเลิกอย่างไงไม่เลิกมันไม่เลิกหรอกผมจนผมต้องมาครั้งต้องหาเพื่อนคุยเพื่อหันสงบนิดไม่ไม่ต้องไปหาเพื่อนคุยเวลาเราต้องการพักนะทําความสงบเพื่ไปพุทโธพุทโธไม่ยอมเลยมันไม่ยอมมันไม่ยอมโอ้ยต้องเขี่ยวเข็นมันเวลามันเดินปัญญาแล้วมันไม่ยอมทําสงบถ้ามันไม่สงบมันจะไม่มีแรงขาดไปนะครับเออมันจะไม่มีกําลังมันจะฟุ้งเพราะฉะนั้นน้อมใจเข้าหาความสงบเลย ให้มันได้สงบเป็นช่วงๆไปที่ังหลวงพ่อน่ได้เปนิดนึงมันสงบเปนิดค้างชื่วงขึนยนี่ต้องให้จิตได้พักเป็นช่วงๆนะไม่งั้นจะไม่มีแรงตัดอ๋อมันเป็นมาอะเนี่ยเป็นแบบแบบนี่มันลงโลกอาทิตย์ฟ้าแล้วเออหลวงพ่อเคยเดินปัญญานะมันเดินรวดเลยไม่เคยพักนะเดินกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะเหนื่อยแทบขาดใจเลยโทรมานเออทรมานมากในครูบาอาจารย์ ท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดาสติมนาตามนมมัดนะปรากฏว่าต่หลังเราไปจับหลักได้ว่ามันต้องทําความสงบเข้ามาครพอจิตรวมสงบนะพอถอยออกมามันดูมันผ่านไปได้เพราะฉะนต้องทําความสงบเข้ามาไม่งั้นใจจะฟุ้งไปไม่มีแรงนี่มันไม่ยอมเลิกนี่มันสันมันข้างไหนเออมันจะเป็นอย่างเนี้ยทิ้งมันไปไม่ดูเวลาต้องการทําความสงบนะมันเหนื่อยนะมันทุกข์นะพอมันทุกข์มากมันเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเนี่ย นะครับกลับมาพูโทโธพูโทโธพูโทโธเร็วๆไปเลยเพราะว่มันตั้งมั่นมากไปพ่อพอไม่ไม่อย่าไปว่ามันเขาจะหาหาทางให้ตั้งอย่างนี้มันไม่ยอมจะตั้งอันสิ <laughs> เออนี่มันตั้งแล้วมันเดินปัญญารวดไปมันไม่ได้พักเมื่อผมนห่นมันตั้งวันนี้มันเป็นเดือนๆมาแล้วเออดีแล้วต้องตั้งอย่างนี้แหละนะะเออเออเ อ, อ, อย่างนี้แหละถึงเรียกว่าภาวนาเป็นใช่ไหมคนที่เขาฟังรู้เรื่องเขาอิจฉาแล้ว ดังนั้นการปฏิบัติของผมททวายเป็นพุทธบูชาอสาธุโดยโดยเฉพาะบุญกุศลถ้าผมปฏิบัติได้ขอให้เจ้าของบ้านนั้นถวันได้ครับขออะไรนะขอบุญกุศลที่ผมปฏิบัติได้ให้เจ้าของบ้านนั้นถวันได้อ๋อเออสาธุนไดยเยอะนะกำไรแล้ววันนี้ขอโอกาสมาหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบเกือบห้าปีนะคะ mm hmm. แล้วก็ปฏิบัติบ้างหยุดไปบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างแล้วก็กลับมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรามีลูกเล็กแล้วก็ก็พยายามมาแต่ก็คิดว่าเหมือนยังติดอะไรอยู่บางอย่าง mm hmm. ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าติดติดอะไรอยู่อ่ะแต่รู้สึกว่าพักนี้มัน ฟุ้งมากฟุ้งก็ทําความสงบบ้างนะพุโทโธพุทโธอะไรก็ไปฟุ้งก็คือใจมันไปคิดเรื่องนน เ, เรื่องนี้ตลอดเวลาแทนที่จะให้มันคิดสเปสสป่านั่งให้มันมาคิดพุดโทโธพุทโธก็ยังดีใจมันไม่ได้พักช่วงนี้ไปไหนๆก็ฟุ้งกันหมดทุกคนเลยมันมีแต่เขาแล้วพยายามสวดมนต์ไหว้พระเพิ่ม แต่ว่าที่ยังทําไม่ได้คื อ, อยังนั่งสมาธิไม่ได้อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยก็ได้นะระหว่างวันหนูพยายามทําเท่าที่จะนึกขึ้นได้อ่ะค่ะแต่ว่านั่งสมาธิกลางคืนมีความรู้สึกว่าสังเกตว่าถ้านั่งปุ๊บแล้วมันจะมันมันนั่งไม่ค่อยได้นานคือถ้ากลางวันเราฟุ้งมากกลางคืนนั่งแล้วมันจะหลับนะใจมันไม่มีแรงใจมันอยากพักนะถ้าอย่างนั้นเราก็ตื่นนอนไวๆหน่อยมาทําตั้งแต่เช้าทําตอนเช้าดีกว่าชดีกว่า ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะหนูเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะแต่ท่านี้ว่าเคยฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ท่านี้เคยปฏิบัติตามที่หลงในซีดีที่ของหลวงพ่อค่ะท่านี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ถูกต้องไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมคือบ่อยอ่ะค่ะคือตื่นเช้ามารู้แล้วว่านี่คิดอืมไปดูนะกิเลสตัวหลักๆของเราก็คือตัวโกรธ ตัวงุดหิดนะตัวเนี้เกิดขึ้นแทบทั้งวันนะต่อไปนี้เราก็ดูเราไม่ห้ามมันนะาใจโกรธเรารู้ใจโกรธเรารู้ดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าทั้งวันเนี้จิตมีสองแบบมีจิตโกรธกับจิตเฉยๆไม่โกรธเนี่ยจิตโกรธเราก็ไม่ได้ห้ามมันนะห้ามมันไม่ได้ไปรู้ทันหลวงพ่อคะเราเวลาบางครั้งคือแยกไม่ออกคะ่ะว่าว่าว่านี่คิดหรือว่า โกรธหรือโมโหอะไรอย่างนี้รู้จักโกรธไหมล่ะเรารู้ความรู้สึกเขาค่ะคอยรู้ความรู้สึกเขาแล้วเราเรอย่างนี้ถูกไหมคะคือตอนนี้กําลังโกรธคือโกรธโกรธโกรธเงี้ยแล้วแล้วเรามันจะเหมือนแบบบางครั้งมันหายไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปคิดใหม่ก็ไคิดใหม่ก็โกรธใหม่แล้วที่ทํานี่คือถูกใช่เราเห็นไหมว่าความโกรธนะมันก็มีเหตุมันต้องไปคิดก่อน แคคิดอย่างนี้เราโกรธ ถ, <ะ>ถ้าลืมไม่คิดเรื่องนี้ก็ลืมโกรธโกรธหายไป<ะ>นะแล้วเราบางครั้งนี่จิตจิตจิต จ, จะไปคิดว่าสมมติว่าโกรธเนี่ย เ, เดี๋ยวโกรธมันก็หายไปไอ้นี่คิดเอาอ๋อคิดเอาเออต้อไม่ต้องไปคิดหรอกนั่งดูมันไปดูซิใช้<ป>ใช้วิธีนี้นั่งดูไหนดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหน น, นี่ต้องแบบนี้นะ อ, อไม่ต้องไปคิดเอาว่าเดี๋ยวมันก็หายไป ถ้าคีดเราเป็นการทําสมถะ่ะหลวงพ่อคะพอดีหนูตั้งกว่าเป้าหมายในชีวิตว่าหนูอยากมีพระรันตนไตรยเป็นที่พึ่งโดยแท้จริงใช่ไหมคะหนูก็พยายามปฏิบัติแต่อาจจะไม่ <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางหนูกําลังไม่พอใช่ไหมคะก็เลยไปเข้าคอร์ส <c oughs> ทีนี้เข้าคอสอ่ะหนูเข้ามาสองครั้ง <c oughs> ครั้งที่สองเนี่ยหนูเพิ่งไปกลับมาคะ่ะ แล้วพอหนูเข้าแล้วความอึดอัดมีมากก็หนูนนคิดว่าทำไมธรรมนัตใจอะไรอึดอัดอย่างนั้นล่ะทําไมนิพานไปได้ยากจังเราหนูนั่งคือเขาในคอสจะต้องบังคับว่าจะต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอย่างนี้หนูจําเป็นจะต้องไปเข้าเพื่อที่จะได้มีกำลังไหมคะเนี่ยไอ้นั่นต้องตัดสินใจเอาเองนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อไปชวนให้ไม่เข้าหลวงพ่อไม่จัดคอส แต่จริงๆแล้วไม่เคยพาว่าตอนนี้เอามันั่งพร้อมกันมาเดินพร้อมกันทําไมไม่ได้จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดท่านสอนนะสอนธรรมะนะเวลาฟังก็มาฟังพร้อมๆกันนี้แหละพอฟังเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกเลยโน่นควรไม้นั่นเรือนว่างไหมแยกย้ายกันไปปภาวนาไม่ได้ไปรวมกันภาวนาหรอกก็เลยไม่ได้จัดาเอาไปเดินพร้อมๆนั่งพร้อมๆไม่ได้ทำหรอก อันนี้หนูก็ต้องมาคือตัดสินใจเอาเองนะหนูน่น ะ, ะต้องไปตัดสินใจเองแต่ตัวที่ผลักดันหนูอยู่ตอนนี้คือตัวโลภนะไปดูเอาตัวเนี้ยอยากดี <c oughs> ให้รู้ตัวอยากนะใจอยากขึ้นมาให้รู้ทันใจอยากรู้ทันเนี่แหละปฏิบัติหยุดขนาดนี้เลยไม่ต้องไปเข้าคอร์สหรอก <c oughs> แล้วกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสไม่ได้อยู่ในคอร์สนี่ <c oughs> อาสาทุก ค, ค่ะ หลวงพ่อคะคือเมื่อก่อนเหนิสัยเสียยกยกมาเค่ะคือเมื่อก่อนนิสัยเสียชอบดูฟาร์มรู้สึกของคนเออดูคนอื่นออทีนี้ก็เลยสนุกแบบนั้นอ่ะไม่ดีหรอกพอดูคนอื่นแล้วมักจะไม่เห็นของตัวเองคือใจใจมันออกนอกคือเล่าให้ฟังขออนุญาตคือเมื่อก่อนพออย่างอาจารย์เลคเชอร์พุดเราก็จะรู้สึกว่าเอออาจารย์เขาสอนอย่างนี้แล้วบางทีเขาก็ขําตักเรียนอะไรเงี้ย ก็จะเห็นเขาเขาขำอะไรขำยังไงทําไมขา<ม>เขาคิดอะไรยังไงแล้วก็เราก็จะดูลักษณะดูเขาพูดจะรู้สึกแบบเรียนนั้นแล้วก็จะรู้สึกสนุกสนุกกับการเรียนแล้จะจำได้แม่นแต่ตาม น, นี้อาจารย์สอนว่าอะไรเพราะไอ้คนนั้นทักว่าอย่างนี้เราก็จะนี้หนูก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการดูตัวเองท่า<ม> น, นก็จะรู้สึกเพลินนะคะต้องเอาไว้ดูตัวเองนะอย่าไปดูของคนอื่นถ้าดูของคนอื่นแล้วจะดูตัวเองไม่เห็นจริงหรอกมันออกนอก สังเกตปล่าว่าใจเราไม่เข้าบ้านงั้นมันจะไม่ค่อยเข้านะจะอยู่ข้างนอกสุสกเออไม่ดีหรอกนะมันไม่เป็นทางของมรรคผลหรอกมรรคผลเนี่ยต้องโอปนะ่ายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองค่ะเราก็เคยมี <c oughs> คือเคยสวดมนต์อยู่แล้วก็มีความรู้สึกมันใจมันตีบทสวดมนต์ตีความหมายอะค่ะ แล้วแปรพอแป ล, แ, ปลแล้วมันรู้สึกร้องไห้ค่ะอืมราบซึ้งในออบทสวดอะไรเงี้ยใจไม่มีสมาธินะเวลาสัมผัสมันมันลึกซึ้งปกติเองนั้นนะแล้วพอนหนก็แล้วกันะก น, นะยะถ า, าวารีวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปกปติ อิจิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจตุสัพเพปูรเรนตูสังกปาจันทูปันรโสยธามิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพรโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิตจังวุทาปจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังมีความสุขนะมีความเจริญปราศจากอันตรายนะมีสติไว้นะปลอดภัยเราพากไปก่อนนะ